บุ <Book> <76. S 3> and ๊กท ah. ูเจ็สเหตุผลบางประการสองอิตส์เฟิร์ตลทวาำไมคุณไม่ได e ้มาล่ะคะ ดิฉันไม่สบายค่ะดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ om nie, om was. ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะเธอเหนื่อยค่ะ เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะไซต์นี้คือกุ้มนี้อมนัดไซม์มึกวัสทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ w a ร์มเฮต์เฮนี่คือกุ้มนเข า, ไ ม, ไ, มา ไ, มไม่มีอารมณ์ค่ะไอสตัลนี่เบลล็องนีเขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ n ขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่ได e l n ใ e ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะวอร์มไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะ o n าไม่ได e มาเพราะ e ข ทำไมคนเหล่านั้นถึงไมมาคะ w ่ a r o m h e ม die mensen ่เข้ากุมนีพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ l ข het die trein gemis. พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ het nie gekom nie, omdat h เ l l e die trein gemis het. ทำไมคุณถึงไม่มาคะวอร์มเฮติยายนิกกุมมีดิฉันไม่ได้รับอนุญาตเอกม ni นีดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตเอคเ i ติเกกุมมีอย่าทเอกนีม ni นี